ท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอปริว่าดห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงส่งได้ให้ปริว่าดห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่กระผม กระผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงรารด้วยยติจตุตกรรมมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไวห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาดหาวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิ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 ขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดบังไว้กับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไวห้าวันภิกษุทายีนั้นขอปริว่าวห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไวห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริว่าห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 สันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษอูตายีนั้นขอปริวาทห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาาดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่ภิสูตายีแล้ว